แต่ว่าศีลเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อการเสพโดยเอื้อเฟือ้อเนี่ยนะก็คือการเสพความสุขสมาธิเนี่ยเป็นสุขพิแท้หมายถึงว่าอันนี้เลยไปหาสัมมาสมาธิแล้วนะคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อการเสพโดยเอื้อเฟือ้อเสพโดยเอื้อเฟื้อเป็นชื่อของคําว่าอาเสวันะเสพโดยเอื้อเฟื้อซึ่งสมาธิเพราะว่าถ้าหากว่าพื้นฐานจากปหาณศีลเวรมณีศีลเจตนาศีล ส, สังวรศีลอวิติกรมศีลเหล่านี้ดีเนี่ยนะ จะทําให้สภาพจิตที่เป็นไปกับสมาธิเนี่ยนะเสพได้มากซึ่งดีกาท่านอธิบายว่าจริงอยู่เมื่อสุขที่ไม่มีอา ม, มิสสำเร็จแล้วสมาธิก็เป็นอันว่าสำเร็จทีเดียวเพราะมีพระพุทธพจน์ว่าสุขิโนจิตตังสมาธิยติจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นจึงมีความหมายว่าศีลเป็นไปเพื่ออาเสวนะคือ เพื่อความคล่องแคล่วและมีกําลังแห่งสมาธิเห็นไหมถ้าศีลดีเนี่ยนะโอ้โหสมาธิจะมีกําลังสมาธิจากคล่องแคล่วเดีอาเสวนาะการเสพโดยเอื้อเฟือนะวงเล็บบาลีไว้หน่อยก็ได้อาเสวนาเฮ้เสพโดยเอื้อเฟือนี่บาลียังไงเห็นไหมศีนเห็นป่านนี้ย่อมเป็นไปเพื่อภาวนาคือเพื่อความเจริญของสมาธิภาวนานี่แปลว่าเจริญ สมาธิก็จะเจริญมากขึ้นมากขึ้นถ้าศีลแบบนี้ดีศีลเห็นป่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อผะหุลีกรร ม, มะคือเป็นไปเพื่อกระทําบ่อยๆทําให้มากๆพผ ะ, ะหุลีเนี่ยแปลว่ามากๆอะกรร ม, มะคือการกระทําการกระทําให้บ่อยให้มากกระทําบ่อยๆเนี่ยนะคือไม่ใช่คือเมื่อพื้นฐานนี้ดีแล้วสมาธิจะมากๆเนี่ยนะตั้งแต่อาเสวนะลงมาเนี่ยเป็นเรื่องของสมาธิหรือจิตสิกป์ค่ะ เป็นเรื่องของสมาธิซึ่งมีศีลเหล่านั้นเป็นบาดฐานอย่าลืมว่าศีลทั้งปานาติปาปะหานะเวรมณีเจตนาสังวรอวีติกรมะเนี่ยนะไปดูบรรทัดล่างสุดท้ายเลยเห็นย่อมเป็นปายเพื่อ น, นิพพานเพราะนั้นท่านขยายถึงนิพพานในระหว่างนี้ขยายเรื่องสมาธิอยู่เว่าอาศัยพื้นฐานที่ศีล ด, ดีๆเนี่ยนะย่อมเป็นพระหูลีกรร ม, มะคือกระทาให้บ่อยๆคือกุศล สระจิตเนี่ยจะเกิดบ่อยๆหรืออธิจิตสิกขาจะเกิดมากๆศีนเห็นป่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อเครื่องประดับนะเครื่องประดับนั้นก็เป็นชื่อของอลังการนะอลังการก็คือมีสัตทินรีเป็นต้นนั่นแหละของสมาธินั่นเองศีเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อบริขารคือสัมภาระของสมาธิมีความไม่เดือดร้อนเป็นต้น นะคือสิลที่ที่เจริญมาตั้งแต่ต้นนะใช่ไหมคือตั้งแต่ความไม่ดือดร้อนความปราโมทปีติปสัสสธิสมนัตการเสพโดยเ อ, อื้อเฟื้อภาวนาพหุลีกรร ม, มะเครื่องประดับทั้งหมดว่าที่ว่าเนี่ยคือเป็นบริขารบริขารในที่นี้หมายถึงสัมภาระของสมาธิเห็นไหมทั้งหมดที่ที่ว่าไปเนี่ยเป็นสัมภาระคำว่าบริขารเนี่ยย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อบริขารแห่งสมาธินั่นแหละโดยสําเร็จ ธรรมะอันเป็นสัมภาระคือสัมภาระคือองค์ประกอบของสมาธินั่นเอง <c oughs> แล้วก็ศีลเห็นปานี้ยเนี่ยนะย่อมเป็นไปเพื่อเป็นบริวารคือให้สาเร็จธรรมะสมบัติมีผัสษะสัมปยุทธ์ด้วยสมาธิเป็นต้นก็คือทำให้กุศลธรรมที่เกิดร่วมกับสมาธินี่นะดีขึ้นเหมือนกัน ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อเป็นบริวารสมบัติโดยให้สาเร็จธรรมวิเศษเนี่ยนะมีสติวิริยะเป็นต้นอันเป็นบริวารของสมาธิเพราะความที่เป็นมูลเหตุนั่นเองเนี่ยนะแล้วก็ศีลเห็นปานนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความบริบูรณ์คำว่าความบริบูรณ์ก็เพราะให้สาเร็จความบริบูรณ์ด้วยให้ถึงความเป็นประฐานแห่งสมาธิและวิปัสสนาศีลเหล่านี้นะเป็น เป็นฐานเพื่อสมาธิและวิปัสสนาและก็ทำให้ถึงวสีภาวะคือความชำนาญ น, นั่นเองสังเกตดูนะตั้งแต่การเสพโดยเอื้อเฟื้อภาวนาพระหุลีกรรมมะเป็นเครื่องประดับเป็นบริขารเป็นบริวารเป็นความบริบูรณ์นะ้อยคำเหล่านี้เป็นเป็นถ้อยคำที่พลนาถึงจิตติขาหรือสมาธินั่นเองเนี่ยทีนี้เข้าวิปัสสนาง ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวนะเอกันตะนิพถายะเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวอันนี้เป็นเรื่องของวิปัสนาวิปัสสนานี่ขยายน้อยมากขยายกับคำเดียวนะย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวโดยมียะถาภูตญานทัศนะเป็นประธฐานเป็นเหตุใกล้อันนี้ดีกาท่านอธิบายแค่นั้นอน่ะซึ่งดีกาที่บายเพิ่มเติมอีกว่า ครั้นแสดงสมาธิที่มีศีลอันบริสุทธิ์ดีเป็นมูลที่มีความบริบูรณ์โดยอาการทั้งปวงอย่างนี้แล้วบัดนี้ประสงค์แสดงประโยชน์ทั้งหลายที่มีศีลเป็นมูลมีสมาธิเป็นประทัฐานคือตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมมีศีลเป็นมูลทําให้ถึงความโสมนัสหรือความสุขหลังจากนั้นมาก็เป็นสมาธิเนี่ยนะสมาธิเหล่านี้ก็เป็นประทะฐานคือเป็นเหตุใกล้ โดยมีพระบาลีว่าบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยนะเมื่อรู้เมื่อรู้เมื่อเห็นตามเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดก็ย่อมหลดพ้นดังนี้เนี่ยนะจึงกล่าวว่าเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเนี่ยนะเพราะว่ามียถาภูตยานทัศน์นั่นแหละเป็นประ ฐ, ฐานเป็นเหตุใกล้แห่งเอกันตะนิพถยะเนี่ยนะ เขบอกว่าความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเดี๋ยนะไปดูในในหน้า6ก็ได้นะเปิดย้อนไปหน้า6ข้อความจะคล้ายกันกับตรงนี้ในหน้า6ที่บอกว่าศีลที่กล่าวนี่นะเป็นที่ตั้งแห่งยะถาภูตยานทัศนะนะศีล ท, ที่ตรงนี้ก็ยังขยายเรื่องศีลอยู่นะแหละว่าศีลดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งแห่งยะถาภูตยานทัศนะ ยะถาภูตยานัทสนะก็คือความเห็นกล่าวคือความรู้ตามสภาวะที่เป็นจริง น, นั้นในเชิงอัดคัดมาจากอัตกถาอุปนิสัตสูตรสังยุตติกายนิทานวัตรกล่าวว่าได้แก่วิปัสนาอย่างอ่อนเห็นไหมไอคำว่ายาถาภูตยานัทสนะเนี่ยนะเป็นชื่อของญาณะสี่คือสังขารปริเฉทยานกังขาวิตรณญาณสัมมาสนญาณมขามัคคายานเห็าาาาานไนะนี่คือคําว่ายาถาภูตยานัทสนะ แล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเนี่ยนะเอกันตะนิพิธายะคําว่านิพิธาก็คือเป็นชื่อของวิปัสสนาอันนี้หมายถึงวิปัสนามีกําลังวิปัสนามีกําลังมีอยู่สี่ยานก็คือพยตูปัฏฐานายานอาทีนวานุปัสฏนานยานมุนจิตุกรรมมยตายานและก็สังขารูปเปขฆายานนี้เรียกว่าวิปัสนามีกําลังนะเห็นแล้วนะว่า ในหน้าสิบคืนนะย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเนี่ยนะก็คือเอกการตะนิพิธายะซึ่งมียะถาภูตยานทัศนะนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ทีนี้ก็เลยไปหาโลกุตระแล้วว่าย่อมเป็นไปเพื่อวิราคะคือความคลายกําหนัดอันนี้เป็นชื่อของมัคนะความคลายกําหนัดเป็นชื่อของมัคย่อมเป็นไปเพื่อนิโรธะคือความดับวัตต์ เป็นไปเพื่ออุปสมะคือความสงบระงับเนี่ยนะสองคำคือนิโรธากับอุปสมะเป็นชื่อของพระนิพพานย่อมเป็นไปเพื่ออภิญญาคือความรู้ยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อสัมโพธะความตรัสรู้อภิญญากับสัมโพธ า, าสองคำนี้ก็เป็นชื่อของมรรคเป็นชื่อของมรรคย่อมเป็นไปเพื่อนิพพานนิพพานอันนี้ก็นิพพานตรงตัว ปหานะเวรามณีเจตนาสังวรอวิติกมะนี้ไม่ธรรมดานะขยายไปจนถึงนิพพานเลยลึกซึ้งมากเขาบอกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนี้เป็นประโยชน์ของศีลอันมีอมะตะนิพพานเป็นที่สุดเลยใช่ไหมดังแต่ปหาณเวรามณีเจตนาอวิติกมะสังวรเนี่ยนะที่มีการละการเว้นจากปาณาติบาสเนี่ยสามารถทําให้แทงตลอดอมะตะมหานิพพานเป็นที่สุดรอบ เสร็จแล้วมาส่งเคราะห์ดูลงสิกขาสามดูนะนะบอกว่าทั้งหมดนั้นยังลงสู่สิกขาสามได้ว่าสังวรปาริสุธิ A i, คือความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมแห่งศีลเนนะ ท, ท่านอธิบายว่าตรงนี้นะหมายถึงศีลของผู้ที่อาศัยวิวัตะคือเป็นศีลที่น้อมไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจนั่นเองเขาบอกว่าศีลทั้งหมดเนี่ยนะเป็นอาธิศีล ศีลลักษณะที่กล่าวแล้วก็อธิศีลเนี่ยนะเป็นประทัดฐานเป็นบาตแห่งอธิจิตและอธิปัญญาสิกขาเพราะว่าอธิศีลเนี่ยเป็นมูลแห่งอธิจิตตะสิกขาและอธิปัญญาสิกขามันสังวรปาริสุทธีคือความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมแห่งศีลอาศัยวิวัตะดังกล่าวมานี้ชื่อว่าอธิศีลที่กล่าวว่าเป็นอธิศีลเพราะเป็นศีลอันยิ่งกว่าศีลที่เหลือเพราะว่าเป็นศีลที่อาศัยวิวัตะ นะไม่เหมือนศีลหศีล8ดทั่วไปธรรมด า, านะธรรมดาที่เรักษ า, เ, าเขาจะไปสวรรค์เราเอามั่งนะแต่ว่าศีลอันที่กล่าวอันนี้เนี่ยนะจะต้องเป็นศีลที่เพื่อให้กุศลธรรมเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นโดยที่ไม่สนใจว่าวิาวบากจะให้ผลยังไงนะว่าเจตนาที่เกิดร่วมกับศีลเนี่ยกรรมจะให้ผลเมื่อไรให้ยังไงไม่สนใจสักอย่างเพราะว่าไม่ได้ทําเพื่อเอาวิบากแต่ทํากุศลเพื่อกุศลเพื่อกุศ ล, ลยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปจนถึง มัคคุุศลศีลเหล่านี้จึงเป็นอธิศีลสิกขาการแทงตลอดอริยสัจน่ะนะหมายถึงโลกุตระนะเป็นวิวัตะหรือว่าอริยมรรคกับนิพพานนี่เป็นชื่อของวิวัตะวตตะนี่นะไม่ตั้งความป่าทะนาก็ได้แล้วแต่ว่าวิวัตะที่เพราะฉะนั้<อ>นศีลที่อาศัยวิวัตะแบบนี้นะจึงเป็นศีลที่ไม่มีที่สุด ศีลเหล่านี้เป็นศีลที่ไม่มีที่สุดจริงๆนะเพราะว่าถ้ารู้จักศีลดีๆแล้วจะรู้ในลักษณะอย่าลืมนะศีลหมวดห้าหมวดแรกเลยนะอย่างย้อนไปที่หน้าหนึ่งเนี่ยศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นศีลที่ว่าโอ้ละปาณาติบาตอย่างเดียวถ้ามีศีลดีจริงๆก็จะเป็นโน่นแหละปริปุณะศีลโน่นแหละปริปุณะปาริสุทธิศีลอะปรามัถาปาริสุทธิศีลแล้วก็ปฏิปัสสัตถิปาริสุทธิศีลมันจเริ่อศีลเพื่อศีลชั้นสูงไปเรื่อยๆอนะ ไม่ใช่โอ้โหนี้นั่งไม่ตบยุงสบายสบายสีดีแล้วเออไม่ตบนี่ดีแล้วล่ะแต่ว่ากุศลจิตควรเกิดมากกว่านั้นเห็นไหมทีนีเ้เลยไปหาที่จิตสิกขาในหน้าเก่าอะจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความสัรวมย่อมไม่ฟุ้งซ่านาจิตแบบนี้เนี่ยนะจิตที่มีพื้นฐานแบบนี้เนี่ยจะไม่ฟุ้งซ่าน เพราะนําความไม่เดือดร้อนเป็นต้นมาด้วยดีคือตั้งอยู่ในสมาธิใช่ไหมเพราะว่าที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นไปเพื่อสมาธิใช่ไหมเอาวิปฏิสารเพื่อประโยชน์แก่ปราโมทปราโมทเพื่อประโยชน์แก่ปีติปีติเพื่อประโยชน์แก่ปัสสัตทิปัสสัตทิเพื่อประโยชน์แก่โสมนัสหรือแก่สุขเพราะนนั้สุขนั้นเป็นไปเพื่อประโย ช, โยช네น์แก่สมาธิเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นไม่มีความเดือดร้อนมาตั้งกระต้นเลยเลยไม่ต้องฟุ้งอะไรเนี่ยนะไม่ต้องไปเดือดร้อนว่าเออความชั่วเราทําไปแล้วหนอความดียังไม่ได้ทำเนาะจะไม่ฟุ้งซ่านแบบนั้นเลยอุทจักกูกุจะจะไม่เกิดอาวิเเคปะปาริสุทธิคือความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตตสิกขาานะเป็นอธิจิตตสิกขาเป็นสมาธิที่มีเป็นนิเพทะภาคยะสมาธิเพราะว่าเป็นสมาธิที่เป็นบาตให้แก่ การเจริญวิปั ส, สนาการเจริญกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปเห็นไหมเพราะว่าเป็นศีลเป็นอธิจิตที่เป็นไปเพื่ออะไรเอกัมตะนิพพิทายะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวนะเบื่อหน่ายในอะไรนะทำไมเบื่อหน่ายในอะไรในวัตตะนะเบื่อหน่ายในกรรมวัตวิปากวัตรกิเลสวัต เคยไหมเอ๊ะกุศลจิตนี่มันจะให้ผลนีล่ครับมันน่าเบื่อนะนี่นะถ้าเรานั่งฟังทำอย่างนี้นะเออกุศลจิตที่จะให้ผลเนี่ยให้ผลเป็นวิบากตามมาชรอีกแล้วให้กุศลอันนี้น่าเบื่อหน่ายไม่เอาแล้เจริญเพื่อพัฒนากุศลชั้นสูงต่อไปอีกนะอธิจิตสิกขาได้แล้วเป็นอธิจิตที่เป็นไปเพื่อการชำระ ก, กิเลสเลยนะนี่ยอธิปัญญามัง่ง พะโยคาวจรย่อมเห็นสังวรปาริสุทธิโดยชอบเห็นสังวรสังวรปาริสุทธิเป็นชื่อของอะไรนะดูที่สายเกียร์ถอยได้ป่ะเหนะ็นไะเป็นชื่อของอธิศีนข้างบนนั่นแหละนะย่อมเห็นฉันใช้คำว่าเห็นนะย่อมเห็นสังวรปาริสุทธอคำว่าเห็นในที่นี้เห็นยังไงนะ อัถกถาดีกาท่านอถกถาปฏิสามิธามักอธิบายดีบอกว่าย่อมเห็นความบริสุทธิ์คือความสำรวมด้วยศีลโดยชอบด้วยสา ม, มารถแห่งยาตะปริญญาและตีรณะปริญญาทำศีลให้มีแล้วก็วิจัยศีลดยยาตะปริญญาและตีรณะปริญญาอีกครั้งนะเน่ยท่ย่อมเห็นสังวรปริสุทธิ์ไอ้คำว่าเห็นตัวนั้นเนี่ยเป็นชื่อของยาตะปริญญาและ ตีระณะปริญญาเห็นไหมคาราว่าเอาสีนเนี่ยมาทำวิจัยอีกครั้งหนึ่งยาตะปริญญานี่เป็นยังไงก็คือรู้จักลักษณะที่จะตุกะของสีเป็นอย่างดีอ่ะนี่เขาเรียกว่ายาตะปริญญาเนี่ยนะรู้จักทั้งลักษณะของสีสีมีลักษณะอย่างไรทำไมลองทบทวนนี้ว่าทำปริญญาในสีนไย่งสีมีลักษณะอย่างไรสีมีลักษณะคือศีระะ ศีลมีกิจยังไงกิจของศีลกิจของศีลกําจัดความทุศีลเอศีลนี่ถึงพร้อมด้วยอะไรถึงพร้อมด้วยคุณที่หาผู้รู้ไม่ตําหนิมั้งเงี้ยหาคุณโทษที่ผู้รู้ตําหนิไม่ได้เลยมีอะไรเป็นอาการปรากฏสบายมากความสะอาดนะกายโสใจยะวจีโสใจยะมโนโสศจัยคำว่าง ความสะอาดกายสะอาดวาจาและความสะอาดใจนี่เป็นอาการปรากฏของศีลเราถามว่าเออศีล น, นี่เลยไปถึงใจด้วยเหรอเอาไม่เห็นอินทรียสังวรศีลเหรอินทรีย์สังวรเขาหกมันสังวรใจนะมันแล้วก็ศีลเ น, นี่ยเกิดที่ไหนบอกว่าเอา๊ะท่านท่านศีลเนี่ยมันเกิดที่กายหรือมันเกิดที่ใจกันแน่เอางี้นะศีลเกิดที่กายหรือเกิดที่ใจกายนี่เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอัพยากตะ เพราะฉะนั้นคําว่ารู้จักศีลเป็นอย่างดีเลยเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะปัจจัยของศีลคืออนะไรปัจจัยของศีลเนี่ยนะปัจจัยของศีลอไม่ได้บอกเหตุใกล้นะถ้าเหตุใกล้ก็คือเหตุรีโอตาปะแต่ถ้าปัจจัยของศีลล่ะเ อ, เอามานะเอาปัจจัยของศีลศีลมีอะไรเป็นปัจจัยกว้างเลยนะ ดูที่ว่าจะจำตันหาสูตรแวิชาสูตรได้หรือเปล่ า, านะสติสัมปชัญญะนั่นแหละเป็นอาหารของศีลเหล่านี้อและสติสัมปชัญญะมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นประทับฐานเป็นเหตุใกล้เป็นปัจจัยโยนิโสนั่นแหละนับตั้งแต่การฟังเพราะฉะนั้นสีลและมายาญาณเล่มนี้เนี่ยต่อจากสุตตะมายาญาณโสตาวะทานเณสุตะมเยญาณปัญญาที่ทรงจํามาดีแล้ว ทรงจำมาเป็นอย่างดีแล้วสา ม, มารถแยกแยะโดยทั้ง16หัวข้อเป็นอย่างดีชื่อว่าสุตะมัยญาญานแต่พอสีลมัยญายานเป็นยังไงเปิดไปหน้าหนึ่งไหมเปิดไปหน้าหนึ่งหมเหนะ็นปัญญาในการฟังธรรมแล้วสังวรสังวรคือสัมรวมไว้ชื่อว่าสีลมัยญายานเห็นมะคำว่าสีลมัยญาย า, ยาก็คือปัญญาหรือในการฟังธรรมแล้วสัรวมไว้ ฟังมาเป็นอย่างดีแล้วมาสังวรตามที่ฟังนั่นแหละคือสังวรตามลักษณะที่กล่าวไปนี่แหละเชื่อว่าศีละมะยาญาณเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวตามสัมนวนปฏิสัมพิทาก็บอกศีลมายาญาณมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีสุตรา ม, มายาญาณใกล้ๆนั่นนะ <laughs> นนะเพราะว่าผู้ที่ฟังไม่ดีแล้วมันจะปฏิบัติตามได้ยังไงเนี่ย พ่ออย่าลืมว่าคําว่าปีติโสมนัติปรามโมทพวกนี้นะคําว่านิพานอุปสมะพวกนี้เนี่ยในสุตตะมยายานขยายละเอียดหมดเลยเห็นไหนะขยายแจกแจงไว้อย่างละเอียดเลยรแรกๆนี่มาจะละเอียดเกินไปมั้งศรัทธาไม่ค่อยมากะนะว่าอจะละเอียดไปมั้งมั้<า>งถ้าจําไม่ได้เป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะถ้าไม่เข้าไปใกล้เงี่ยโสดลงฟังถ้าไม่จําก็ ห่างไกลาจากธรรมวินัยนี้เพียงไรเนี่ยนะก็ในกีตาคิริสูตรนี่ว่าอย่างนั้นเลยขอมานี่ก็ยังนึกนึกอะอยอย่าเป็นไปตามสูตรนั้นเลยคือเป็นในความว่าไกลจากพระศาสนานี้เพียงไรนะไกลจากธรรมวินัยนี้เพียงไรว่ากั้นถ้าทรงจําไม่ได้ปฏิบัติอะไรเนี่ยนะถ้าไม่คิดจะจําอีกก็น่าจะอยู่อีกนานนะจเ นะ